ก็ความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ร่มพระโพธิญาณในวันนี้ก็จะพูดคันติบารมีตามคำกล่าวของพระโพธิสัตว์ในยุคสมัยที่ท่านกำลังบำเพ็ญบารมีอยู่ท่านกล่าวไว้ว่าความไม่สุดก็ดีผู้ประเสริฐก็ดีคันติและโสระจะ ก็ดีจะเป็นผู้เย็นสนิทก็ดีย่อมไม่มีเพราะการชำระล้างด้วยน้ํานี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงว่าคุณธรรมเหล่านี้เป็นคุณธรรมที่เ ร, เร า, เร า, เรามีซึ่งมีความบริสุทธิ์ความเป็นผู้ประเสรศิฐเป็นคนมีคันติมีสรุรจะและเป็นผู้เย็นมันเป็นผลที่เกิดมาจากเหตุ ซึ่งบุคคลจะต้องลงมือประพฤติกระทํำให้มีขึ้นเพราะเวลาพูดถึงธรรมะเนี่ยให้ลองสังเกตว่าทุกข้อเนี่ยถ้าเราพูดถึงตัวสภาวธรรมเราจะใช้คํามฆะความความอดทนความสงบสงี่ยมความละอายบาป ค, ความสะดุ้งกลัวต่อบาปแต่ถ้าพูดถึงตัวคนเราจะพูดว่ามีมีเมตตามีขันติมีความเพียรมีความอดทน มีสสร จ, จะมีอะไรก็ตามประเด็นแรกก็คือความบริสุทธิ์เป็นการไปสุทธ์จากบาปจากอกุศลทุจริตต่างๆความบริสุทธิ์โดยสรุปเนี่ยเราพูดถึงสามระดับจะบางคราเราอาจจะพูดถึงสิบระดับถึงเจ็ดระดับนะอย่างความบริสุทธิ์ระดับวิสุทธิ์ที่เจ็ดเนี่ยก็พูดถึงเจ็ดระดับ แต่ว่าจะพูดโดยโวหารอะไรก็ตามหมายความมจิตใจบริสุทธิ์จากกิเลสทั้งหลายสามระดับใหญ่ใหญ่บริสุทธิ์ระดับหยาบคือหมายความว่าสามารถควบคุมอาการแสดงออกทางกายทางวาจาของตนไว้แม้ทำอะไรไปตามอำนาจของ ราคะของโลภะของโทสะของโมหะก็แสดงว่าเวลามีอารมณ์กระแทกเพื่อกระตุ้นให้เกิดราคาเกิดโลภะเกิดโทสะเกิดโมหะเรามีขันติเป็นหลักใจมีความอดกลั้นอดทนไม่อ่อนไหวต่ออารมณ์เหล่านั้นในแนวความรู้สึกนึกคิดตรงเนี้ยเอามาชอบใจคําคําโครง โครงโครงในโลกคณิตเนี่ยคือมันใช้ภาษาที่เป็นรูปธรรมแล้วเราเห็นเป็นภาพความเคลื่อนไหวจริงๆเพื่อแสดงว่ามีแรงกระแทกมาจากข้างนอกกระแทกค่อนข้างหนักแต่ถ้ากิเลสเราภายในหยาบเนี่ยเราไม่มีความบริสุทธิ์ระดับศีลเป็นอย่างน้อยนะแล้วจะต้านทานกระแสอารมณ์เร า, านั้ไม่ได้ เพระนั้นท่านก็ให้สติตักเตือนเอาไว้ว่าหมาใดตัวร้ายขบบาดทาอย่าขบตอบต่อมาอย่าขึ้นทรชนชาติชั่วทารุนโทษอยา่าโกรธอย่าหน้าบึง้งตอบท้อยถือความที่จริงก็คืออยา่าโกรธอย่าหน้าบึง้งอย่าตอบท้อยอย่าถือความหมายความเมตใจกลับเข้าสู่คืนสู่บริสุทธิ์เหมือนเดิม ก่อนที่เขาจะมาคุมขู่คุกคามด่าวว่าสุประมาดูถูกดูมินเรานั้นใจเราก็สบายสบายจบแต่พอเข้ามาสุประมาดูถูกดูมินยุยยุยยวเนี่ยปัญหาว่าเรามีคันติมากพอไหมแต่ว่าคันติมันจะต้องอิงศีลแล้วตอนนี้อยู่หมายความว่าอย่างน้อยเราต้องรักษาศีลเราให้ได้ไม่ยอมที่จะ ทิ้งศีลเพื่อกระโจนลงไปสู่ลุ่มบอ่อของความชั่วเวรัยกับคนเ่า้ารทำได้ก็หมายความว่าความไปสุดตรงนี้มันเกิดขึ้นมาจากศีลแต่ว่ามีคันติเป็นฐานเป็นหลักเอาไว้เพราะว่าแรงกระแทกมันมาจากข้างนอกและความไปสุดอีกประการหนึ่งก็คือความไปสุดระดับสมาธิ ที่จริงก็อาจจะระดับธรรมะก่อนก็ได้นะระดับศีลธรรมจัญญาก็เรียระดับศีลธรรมจัญญาก็จะเห็นว่าตรงนั้นมันไม่ถึงกับไปซึ่งหงกเป็นสมาธิอะไรเพียงแต่ว่าเรามีคุณธรรมอยู่ภายในใจอาจจะมีปัญญาเป็นหลักมีสติเป็นหลักมีเมตตาเป็นหลักก็มีธรรมะแต่ข้อหนึ่งเป็นหลักแล้วข้ออื่นก็จะช่วยเสริมทำหน้าที่ในการวิเคราะห์วินิจฉัยตัดสิน แล้วเลือกปฏิบัติที่เป็นทางสวัสดีแก่ตนอย่างที่เคยยกตัวอย่างให้ฟังว่ามันมีระพุทธธรรม บ, บทหนึ่งคือภาษาก็เพาะแล้วก็วิธีการเนี่ยมันเป็นนักประสงค์ปรสงแสดงไว้ว่ายะถายะถายะถาละเพอาถัางตถาตถาตถาลักกรกเมยอยาเล่นคำเล่นเสียงนะฮะคือถ้าเป็นเสียงขับแล้วก็จับไปรอบมาก ว่าประโยชน์พึงเกิดขึ้นในที่ใดๆโดยวิธีใดๆให้บุคคลใช้ความพยายามในที่นั้นๆนนโดยวิธีนั้นๆเป็นความพยายามที่เหมาะสมแก่เหตุเพื่อให้เกิดผลตามที่ตนต้องการแสดงว่ามันมีสติมีปัญญามีความเพียรมีขันติมีการวิเคราะห์วิจัยสิ่งข้างหลายเนี่ยเกิดขึ้นได้โดยอัตโนมัติแล้วก็ปรับใช้ สอดคล้องกับสถานการณ์ที่บังเกิดขึ้นโดยมีความหนักแน่นไม่อ่อนไหวไม่วันไหวไปกับอารมณ์มนก็ตำนองที่พระเดชสวนเป็นเจ้าเผชิญหน้ากับประมวลประราชานก็จะเห็นว่าตัวนี้ขันติมันเป็นฐานเความอดทนเนี่เป็นฐานความกล้าหาญเป็นฐานและสติปัญญาความไม่วันไหวต่างๆเนี่ยมีอยู่พร้อม แล้วก็ปรับใช้สดรับกับสถานการณ์ส่งนั้นก็กลายเป็นวุรกรรมที่ไม่อาจจะลืมเลือนได้นะบแสแดงว่าถ้าไม่มีวันนั้นเราก็ไม่มีวันนี้แต่เพราะท่านมีวันนั้นเราจึงมีมีวันนี้อยู่ด้วยก็สแสดงให้เห็นว่าความบริสุทธิ์ของใจในระดับนี้ระดับศีลธรรมจริยามาความมีธรรมะเป็นเรือนใจเป็นหลักใจอยู่ แม้จะมีแรงมากระแทกจากข้างนอกถ้าไม่มากจนเกินไปมันก็ไม่ตื่นดหนก ต, กตกใจกลัวจนเกิดอาการหวั่นไหวอ่อนไหวไปความสุตรระดับของสมาธิคือหมายความว่าเป็นการเจริญสมาธิจนมีจิตใจสงบหนักแป่นมั่นคงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งกันในขณะที่อยู่ในสมาธิจนถึงมีปัญญาเข้ากำกับ ถึงแน่นอนว่าท่านที่ถึงจุดนั้นจริงๆมันจะเป็นอัตโนมัติในระดับของท่านเทนพระโสดาบันอย่างเนี้ยท่านก็ละกิเลสได้สามข้อแล้วก็ละได้เด็ดขาดเมื่อเด็ดขาดเนี่ยแรงกระตุ้นกิเลสสามกองนี้มันจะกระตุ้นท่านยังไงก็ตามเมื่อก็สงบไปได้โดยอัตโนมัติเพราะท่านไม่มีเชื้อให้กิเลสเหล่านั้นจเจริญเติบโตขึ้นไปในจิตใจของท่านได้อีกต่อไป ความเป็นผู้ประเสริฐนั้นเป็นองค์รวมหมายความมาเป็นลักษณะการของกุศลและธรรมที่ปรากฏเป็นรู ป, ปรธรรมสัมผัสได้เป็นการกระทาให้เห็นเป็นการสอนให้เรารู้เป็นการพูดให้เราได้ยินและเป็นการครองชีวิตที่เป็นแบบฉบับ ก็กลายเป็นผู้ประเสริฐในหมู่คนผู้ไม่ประเสริฐเป็นผู้ประเสริฐในหมู่ผู้ที่ประเสริฐเป็นผู้ประเสริฐสุดในหมู่ชนทั้งหลายก็แล้วแต่แล้วแต่ว่าอยู่ในกลุ่มใดตันี้เป็นผลที่ต้องใช้ความเพียรพยายามใช้อํานาจแห่งบา ร, รมีธรรมมากล้นจึงเข้าไปอยู่ในจุดตรงนั้นได้ทีนี้เรื่องขันติความอดกลั้นความอดทนีย คือบางอย่างเราก็ไม่เคยรู้หรอกว่าเราอดทนได้หรือไม่ได้แต่มันต้องเผชิญวิกฤตที่พระเจ้าทรงสแสดงว่าอุกัตเหตุสุรมิจฉันติในภาวะวิกฤติเนี่ยต้องการจิตที่กล้าหาญเข้มแข็งอดการอดทนเราจะรูปพลังตัวเราเองในขณะนั้นแต่ยามทั่วไปเราก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าเรามีภูมิ้านทานแข็งแกร่งขนาดไหนเพราะไม่ได้พิสูจน์ทดสอบอะไร แต่บอบทถึงบทพิสูจ์ทดสอบคล้ายๆพระพุทธเจ้าของเราที่ตอนนางตระนาราคาไรตีมายโยโยนเนี่ยมันเป็นบทพิสูจนเราจะพบว่าพระเจ้าออกไปจากวังหกปีเต็ ม, มนะแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องของชาวโลกเลยในสมัยที่เป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้สัตรุขั้นตอนที่ประทับสวยวิมุตติสุขอยู่เจ็ดแห่งเนี่ยหลังจากสัตรุแล้วมันไม่มีเรื่องอะไรมาบอรวร์เลย ก็ไม่รู้สึกงดจริงหรือไม่จริงอะแต่ว่าตอนที่ไปเชิดหน้ากับนางตันหานั้นมันมองย้อนกลับเข้าไปว่าพระองค์เข้าถึงความบริสุดจริงๆตั้งแต่สัจจรูะเพราะว่าชายหนุ่มคนหนึ่งมานั่งอยู่ในป่าคนเดียวแล้วก็มีผู้หญิงมายุโยนเปนร้อยๆแล้วยวิธีการต่างๆหลากหลายสารพัดเนี่ยแล้วก็นั่งเฉยเป็นพระพทธรูปอยู่ได้เนี่ยมันยอดมนุษย์แล้ว ตนาตนาราคาระีเขายังบอกบอกถ้าเป็นผู้ชายอื่นนั้นแล้วไม่ลุกขึ้นมาร่วมมาร่วมพินดีกับเขาในหัวใจจะต้องแหลกสลายคือช็อกตายไปได้แต่ว่าพระพุทธเจ้าไม่มีเชื้ออะไรอยู่เลยภายในประทไทยดัานนั้นก็สงบเย็นเป็นอาการสงบจริงๆเพราะว่ามันมีเครื่องมือมาพิสูจน์ทดสอบ มีท่านเล่าไว้ในเอกถาถึงผู้หญิงคนหนึ่งชื่อเวเทยิกาเป็นที่ยอมรับยกย่องของคนทั้งหลายว่าเป็นผู้หญิงที่มีขันติมีความสงบสิ่งเยี่ยมนะกิริยามันยอดมีความเป็นผู้ดีอะไรก็ยกยอปอปันกันว่ากันไปแต่นางภาษีคนหนึ่งชื่อว่ากาลีเธอมองแล้วเนี่ยมันอยู่คนใกล้ชิดกันนะมันไม่น่าจะจริงอ่ะแกบอกมันไม่น่าจะจริง ที่คุณนายเราได้รับการยกยองสัรเสริญอดกลั้นอดทนมีความ ส, มบสงบเสงยมเรียบร้อยน่าจะเพราะไม่มีอะไรกระแทกอันเป็นเครื่องมือพิสูจนะ์ว่าเราอดกลั้นอดทนได้จริงหรือไม่มเหมือนกับการเด็ดหนังสือแล้วก็มีการสอบวัดผลเนี่ยนะมันเป็นเครื่องมือพิสูจน์ทดสอบทดสอบว่าที่เราเรียนมาเนี่ยเราเข้าใจจริงปะถ้าเข้าใจก็ต้องตอบคำถามได้ แต่พถึงอีกระดับหนึ่งมันไม่ใช่อย่างนั้นนะมันนําไปสู่การปฏิบัติงานเอาความรู้ที่เป็นลายลากักษณ์อักษรที่เป็นประสบการณ์ต่างๆนี่เข้าไปสู่ภาคสนามคือปฏิบัติงานได้ทํางานได้ความรู้เหล่านั้นก็หลั่งไหลเข้ามามาช่วยวินิจฉัยตัดสินทุกขณะที่เราทํางานที่ลงมือทํางานลงไปก็แสดงว่าพิสูจน์ได้แล้วผ่านด่านการทดสอบได้ ในสุดเธอก็ต้องการจะทดลองดูสิคุณนายเนี่ยมีควา ม, มกอดทนจริงหรือเปล่าเช้าวันหนึ่งเธอแกล้งนอนตื่นสายนางเวเทกาเรียกหาก็ไม่ได้ยินไม่ขานรับเดินไปดูในห้องปรากฏว่า น, นอนเฉยเรียกก็ไม่ตื่นคามเฉยไม่รับรู้อะไรเสียงแข็งขึ้นพอเรียกหลายคำขึ้นเสียงก็แข็งขึ้น หรือแสดงอารมณ์โกรธถุนเฉียวแต่ยังขมไวได้ทดสอบใหม่รุ่งขึ้นเช้าเนี่ยเรียกยังไงเสียงแข็งยังไงด่ายังไงนะยังไม่ถึงด่านเะสียงแข็งยังไงเนี่ยก็ไม่โกรธจนถึงกด็ดา่าด่าถูกด่านะะจึงลุกขึ้นพออีกวันหนึ่งเนี่ยด่ายังไม่ลุกขึ้นเลยเฉยทํายังไงก็เฉย จนนางเวเทิกาตบาบะแตกขันแตกเอาไมา้ตาพนตีหัวแตกเลยนางกะลีก็ไปบอกกลา่าวคนต่างหลายทราบไว้เนี่ยคุณนายเนี่ยที่พวกคุณยกย่องกันว่าเป็นผู้มีขันติมีความสงบสุขเงียมมีความอดกลั้นอดทนทนทานเนี่ยเอาข้อจริงมันไม่ได้มีการพิสูจน์ทดสอบแล้วเราก็นํามายกย่องกันปัญหาประเด็นนี้ที่จริงเป็นปัญหาที่น่าศึกษา คือเรามักนําใครคนใดคนหนึ่งมายกย่องโดยใส่ใช้ความเชื่อตัวเองหรือความเข้าใจเอาเองหรือแม้แต่บางครั้งบางคราวเป็นการบอกกล่าวของท่านเหล่านั้งทั้งๆที่เราไม่เคยพิสูจน์ทดสอบท่านเลยว่าจริงๆเนี่ยท่านเป็นอย่างนั้นหรือเปล่ามีไม่น้อยเลยนะฮะที่เราตกเป็นเครื่องมือของผู้สำรวจบาลีท่านใช้คำวมาปรารถนาลามก คือเป็นผู้ที่ใช้เล่มมารยาหลอกลวงช่อชนด้วยประการต่างๆแต่พฤติกรรมเหล่านี้จะเกิดขึ้นซ้าแล้วซ้าอีกเหตนี้ความอดทนเนี่ยบางทีนะแรงกระแทกไม่แรงแล้วอาการทางกายวงางใจไม่ปกตอิอาการทางกายวจาั้นยังปกติอยู่นะยังปกติอยู่แต่ว่าใจละ่ะ ใจคิดยังไงในที่นี้ท่านบอกว่า โ, ร, โรัจจะก็ดีโรัจจะนั้นเป็นอาการที่มีจิตใจไม่เก็บไม่เก็บความรู้สึกไม่ดีเหล่านั้นเอาไว้มีความแช่มชื่นต่านแปลไว้ในหนังสือโรกวาดไปสงบสิง้เงียมมันก็นึกภาพไม่เคยออกนะสงบสิงเงียม แต่พอท่านแปลให้ฟังใหม่ว่ามันมีใจแช่ชื้นเบิกบานหมายความว่าไม่ติดใจไม่ค้องใจลืมแล้วไม่ได้ใส่ใจในเรื่องเหล่านั้นอีกแล้วคำดา่าอะไรต่ออะไรสบประมาทดูถูกดูหมิน่นมันก็เหมือนกับคลื่นกระทบฝั่งแล้วก็เลือนหายไปเป็นลักษณะคล้ายคลกระลมผัดผ่านกองอุจจาระกองขยะตรงนั้นก็เหม็นนั่นนะ เสร็จแล้วมันก็จางหายไปพอเลยตรงนั้นกลิ่นกลิ่นตรงนั้นมันก็หายไปตพรามันทิ้งกลิ่นตรงนั้นไว้ในที่นั้นเด้งหือไม่ได้พาพัดผ่านกลิ่นเหล่านั้นไปด้วยหรือว่าน้ําที่มีใครโยนของสกปรกลงไปในกระแสน้ำแปลงว่าสิ่งสกปรกเหล่านั้นจะถูกน้ําพัดผ่านไปแล้วก็จางหายไป จุดที่ของสกรปรกตกในครั้งแรกอะ่ะมันก็กลายเป็นน้าบริสุทธิ์เหมือนเดิมแล้วข้างล่างมาถึงจุดหนึ่งก็บริสุทธิ์เป็นน้ําที่สะอาดจิตใจคนมันก็เลื่อนไหลเคลื่อนไหวเกิดดับเกิดดับต่อนเนื่องกันไปเนี่ยมาถึงจุดหนึ่งมันจะมีความช่มชื่นแล้วก็ท่านก็อธิบายถึงความดับเย็นสนิท เย็นสนิทที่พระโพธิสัตว์หมายถึงในที่นี้ก็คงระดับที่เรียกว่าระดับสมาธิกับระดับปัญญาเนะยแลย้วยนสนิทจริงๆมันต้องระดับพระอริยบุคคลหรือพระอาราหันต์แต่ไม่งั้นไม่เย็นสนิทเพราะว่าถึงจุดหนึ่ง่าลืมว่าพระโสดาบันเองท่านก็ยังมีความโศกเศร้าได้ร้องหม่มร้องไห้ได้เสียอกเสีย ใ, ใจได้ เพียงแต่ว่ามันไม่รุนแรงจนถึงก็ไปเหตุตกอบายเท่านั้นเองเพราะวโสดาบันนั้นเรียกว่าจตุปายเยหิจวิปปมุตโตมันปิดประตูนรกปิดประตูจตุระบายทั้งสี่ประการได้เพราะในการกระทําของท่านอาจจะมีแรงกระแทกโดยเฉพาะแรงกระแทกที่เป็นเอตเกิดความสุขเพราะว่าท่านละกามราคะปฏิฆาอย่างไม่ได้ การบริยากามันมีความเสน่หาความรักที่มันหนักไปทางเมตตาเจนรักลูกรักหลานรักอะไรต่างๆเพราะงั้นอย่า ง, งานางวิจาขานี่หลานเล็กๆ เ, เ, เคยตายแล้วก็ร้องห่มร้องไห้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าด้วยความทุกข์ทรมานพระเจ้ารับสั่ง คือให้กระตุก ป, ปัญญาของท่านให้เพิ่มขึ้นนั่นเองนะฮะเพราะจริงๆแล้วพวกสังโยชติทันละได้มันเป็นภูมิโมหะแต่ปัญญาขึ้นเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็จะเข้าใจเองขุจ้ารับสั่งวิสาขาเธอต้องการได้หลานมีหลานสักกี่คนนะ่ะแล้วก็บอกว่าอยากจะให้คนในพระนครสาวัตถีเนี่ยเป็นหลานของท่านทั้งหมดขุจ้าจะรับสั่งถามมาเออแล้วคนในเมืองสาวัตถีเนี่ยก็ตายกันวันละกี่คน ท่านก็บอกว่าตายหกคนบ้างเจ็ดคนบ้างแปดคนบ้างสิบยี่สิบสามสิบอะไรก็แล้วแต่นะคือตายทุกวันก็สรุปว่าตายทุกวันพระพุทธเจ้ารับสั่งว่าถ้าอย่างนั้นก็เธอก็ต้องร้องไห้ทุกวันหน้าคนเธอก็ต้องนองด้วยน้ายําตาอยู่ตลอดระยะเวลาเพราะเศร้าโศกเนื่องจากพลาดพลากจากคนอันเป็นที่รักรับสั่งเพียงเท่านเนี้ท่านก็เข้าใจแต่ว่าคุณธรรมเหล่านี้ มันก็ให้ประเด็นหลักอีกประการหนึน่งจะเราเจนว่าโดยลทัทธิความเชื่อซึ่งเรามีมาตั้งแต่ไหนไม่รู้ก็ออกมาจากพรามแล้วเราให้ความต้องการแก่ลทัทธิความเชื่อถือแบบพรามโดยทาพิธีอะไรละ่ะอาบน้ำมนต์พ่นน้ำหมากเสกอะไรแต่ไรต่างๆล้างบาปล้างเคราะห์ล้างเวงกรรมอะไรกันนั้นก็แสดงให้เห็นถึงว่า มันมองโดยขาดเหตุผลเพาถ้าความบริสุทธิ์มันเกิดจากการชำระล้างได้นะฮะบริสุทธินะ์ใจนะมันจะบริสุทธิ์กายบรสุทธิกายนะั้นแน่นอนมันต้องอาบน้ํำชำระล้างแต่บริสุทธิ์จากบาปจากอากุศลทุจริตต่างๆนั้นมันไม่จะเกิดเพราะการล้างด้วยน้ำแต่จะต้องอาศัยการประพฤติปฏิบัติพัฒนาคุณธรรมเหล่านี้บังเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือให้เกิดความบริสุทธิ์ขึ้นพวกนี้ที่จริงเป็นเหตุเป็นปัจจัยของกันรละกันนะฮะถ้าเราจะจับเฉพาะประเด็นตรงนี้เราจะเห็นว่าคันติและโสรจัตต์นั้นเป็นตัวเหตุเป็นตัวเหตุได้เกิดความบริสุทธิ์ขึ้นไปตามลําดับนะอย่างที่กล่าวไว้ในวันก่อนว่าคันตินั้นเป็นเป็นประธานเป็นหัวหน้าเป็นเหตุแต่งคุณคือศีลและสมาธิ กุศลธรรมทั้งพวงย่อมเจริญเพราะคันติเท่านั้นเพราะฉะนั้นตัวนี้ความไม่สุดนี่ก็ดีความประเสริฐก็ดีความผู้เย็นสนิทก็ดีเนี่ยมันเป็นผลซึ่งเกิดขึ้นมาจากการประพฤติปฏิบัติอย่างมีคันติและก็สรุรจารคันติโุรจารจึงเป็นเหตุเฉพาะกลุ่มนี้นะฮะเราจะเห็นว่าคันติโซจาเป็นตัวเหตุแต่เมื่อปริมาณคันติโซรจาเพิ่มขึ้นมันจะทําให้จิตใจเราบริสุทธิ์ ระดับสีระดับสมาธิระดับปัญญาสูงขึ้นแล้วก็กลายเป็นผู้ประเสริฐประเสริฐก็ดับเย็นดับเย็นมันก็เป็นผลที่ทยอยกันไปในระดับที่สมบูรณ์จริงๆความบริสุทธิ์ก็ดีความผู้ประเสริฐก็ดีความรู้เย็นสนิทก็ดีนั้นก็หมายถึงเป็นผลระดับอริยผลที่บริสุทธิ์ประเสริฐแล้วก็เย็นสนิทโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง แแน่นอนนั้นคือระดับอุดมการณ์เป็นผลระดับอุดมการณ์การจะก้าวไปสู่ผลระดับนั้นได้ก็ต้องใช้ความเพียรพยายามติต่อเนื่องและโดยอาศัยคันติคือความอดกลั้นความอดทนความอดทนทานแต่เราต้งความอดออมมีความสงบแช่มชื่นอยู่ภายในจิตใจ ด้านกระบวนการแห่งธรรมะจึงเป็นกระบวนการแห่งเหตุผลขันตินั้นจริงอยู่ในกลุ่มของอริยมรรคเป็นเหตุที่จะให้เกิดผลและผลเหล่านั้นจะมากหรือน้อยก็ไม่รู้แหละมันก็อยู่ที่เหตุมากหรือน้อยเป็นตัวเป็นตัวหลักเป็นตัวสําคัญเพราะเช่นว่าระหว่างคันติกับโสระ จ, จ่าเนี่ยปัญหาว่าขันติแล้วนี่โสระ จ, จ่ได้หรือเปล่า ไม่ใช่ว่าพออดทนอดกลั้นต่อการข่มขู่ท้าทายดูถูกดูหมินแล้วก็เกิดอาฆาตมาดร้ายขึ้นมาวางแผนจะแก้แค้นให้ได้ลบดูดูหมินเราจะต้องฆ่ามันให้ได้จะต้องทำลายให้ได้อย่างนี้ก็แสดงว่าไม่มีสวรรคจะไม่มีความช่ำชื่นอยู่ภายในเมื่อไม่มีความช่ำชื่นอยู่ภายในใจก็ไม่บริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ก็ไม่ประเสริฐไม่ประเสริฐก็ไม่ดับเย็นเพราะงั้น ในโซรัจจะจึงแปลว่าความช่มชื่นความเช่มชื่นความเบิกบานที่ไปอยู่ภายในใจไม่มีเสนิหไม่มีตะกอนใจไม่มีลักษณะการของราคะโลภโทสะโมหะตกอยู่ภายในจิตแต่ประการใดในขณะนั้นๆนะครับในขณะนั้นๆซึ่งแน่นอนว่าถ้าระดับสมบูรณ์ก็เป็นความประเสรศิฐเป็นความบริสุทธิ์เป็นความดับเย็นอย่างสมบูรณ์ ต่้ฟังทั่งหลายใตยร่มระโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง้อ ง, งามไปบุญในธรรมจงมีแล่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี